้ฟังคะเมื่อพูดถึงเรื่องผีคำคำนี้อาจจะสร้างความหวาดกลัวสยองขวัญให้ใครหลายๆคนจนคนหัวลุกบางคนอาจนึกถึงสถานที่ที่มีผีอยู่หรือสถานที่ที่อาจจะทำให้เจอผีมากกว่าสถานที่อื่นนะคะโดยเฉพาะบ้านผีสิงค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านหรือเป็นอาคารหลังเก่าๆที่เคยมีคนเสีชีวิตหรือสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่ หรือแม้แต่สถานที่ที่ผ่านการเล่าขานต่อๆกันมาว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวแฝงตัวอยู่ภายในสถานที่ร้างแห่งนั้นสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะคะอาจสร้างความเห็นความรู้สึกของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรู้สึกกลัวจนหวาดผวาค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกเพียงแค่ให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็น เมื่อไรก็ตามที่มีการเล่าเรื่องผีหรือว่าบ้านผีสิงเรื่องเหล่านี้นะคะจะเป็นที่สนใจของคนหลายๆคนจนต้องจับกลุ่มพูดคุยวิพากวิจารณ์กันบางสถานที่ก็เกิดการร่ำลือถึงความเฮี้ยนและความน่ากลัวจนถึงขั้นต้องบุกไปพิสูจน์กันเลยทีเดียว ข่าวลือหรือข้อมูลที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านผีหรือว่าสถานที่ร้างต่างๆนั้นมีที่มาทั้งจากการบอกเล่าแบบปากต่อปากหรือการเผยแพร่สถานที่ลึกลับผ่านสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์รายการโทรทัศน์รายการวิทยุหรือแม้แต่บนอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับสถานที่ร่ำลือกันว่าเป็นบ้านผีสิงนั้น มีการเผยแพร่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆเกือบทั่วประเทศนะคะแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเมืองแห่งแสงสีและก็ความคึกคักยามค่ำคืนก็ยังมีเรื่องบ้านผีและสถานที่ลึกลับให้ได้ยินอยู่หลายแห่งรวมถึงเรื่องราวความเฮี้ยนของบ้านผู้ได้อโอกาสที่จังหวัดอ่างทองที่จะนำมากล่าวถึงดังนี้ค่ะจากเหตุการณ์ชวนขวัญผวาที่เคยตกเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เกี่ยวกับกรณีบ้านผีสิงที่อ่างทองเฮียนจัดถึงขนาดหลอกคนเข้าอยู่ถึงสองรายจนต้องเพ่นหนีออกมาแทบไม่ทันทั้งที่เป็นบ้านใหม่เพิ่งสร้างเสร็จโดยอบตเพื่อเป็นบ้านพักของผู้ด้อยโอกาสเหยื่อสองรายยืนยันนะคะว่าบ้านผีสิงหลังดังกล่าวนั้นแรงจริงรายแรกทนอยู่สองคืนก็ขอลายอมหนีไปปลูกกระต๊อบอยู่แทนรายที่สองประกาศลั่น เคยเจอผีกับตามมาแล้วไม่รู้สึกกลัวแต่อยู่แค่คืนเดียวก็เพ่นตามอีกทั้งยังมีคนเคยเห็นผีเจ้าที่ในบ้านนั้นหลายคนเป็นผีสาวห่มสบายเฉียงเหตุการณ์ขนหัวลุกดังกล่าวสร้างความหวาดผวาแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าลองดีท้าทายบ้านพักผู้ด้อยโอกาสที่กลายเป็นข่าวหลังนี้มีวิญญาณหญิงสาวออกมาหลอกหลอนผู้คนหลังนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดยางมณนีหมู่เจ็ตําบลองารักอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองราชัน5ธันวา2550เป็นบ้านปูนชั้นเดียวขนาดกว้าง8เมตรยาว8เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาแต่ไม่มีรัว้วปลูกอยู่ริมถนนคอนกรีตท้ายวัดติดกับโรงเรียนวัดยางมณี บ้านหลังดังกล่าวอบต อ, องครักได้จัดสรรงบประมาณ 98,000 บาทในการก่อสร้างเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดใช้ที่ดินสร้างให้ผู้ยากไร้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ส่งมอบบ้านให้นางสนะผ่องโอภาสอายุ78ปีพร้อมกับหลานอีก2คนเข้าพักอาศัยแต่ปรากฏว่าอยู่ได้เพียง2คืน ก็ต้องขนของออกไปอยู่ที่อื่นโดยเล่าให้ฟังว่าถูกผีผู้หญิงรังควานหลอกหลอนจนนอนไม่ได้ทำให้สุขภาพจิตเสียเมื่อข่าวดังกล่าวสะพัดออกไปได้มีนายขวัญพงวงดิตอายุ61ปีเจ้าบ้านที่ไม่กลัวผีอาสาเข้าไปนอนเพื่อท้าพิสูจน์ปรากฏว่าเพียงคืนเดียวก็ถูกเล่นงานจนย่ำแย่ทั้งถูกดึงขามีของหนักทับหน้าอกบีบคอหายใจไม่ออกจนต้องเพ่นกระเจิง นายขวัญพงเล่าว่าผีผู้หญิงดังกล่าวรู้สึกโกรธที่ไปรุกที่ของเขาและยังเดินข้ามหัวเขาทุกวันเนื่องจากเขาอยู่ตรงประตูทางเข้าพอดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านรู้สึกหวาดผวาไม่กล้าผ่านบ้านหลังดังกล่าวในยามค่มคืนนอกจากนี้นะคะนายสมพรอมิทิดาผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตาบลองค์คารัก กล่าวว่าลูกบ้านและครูในโรงเรียนเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยในบ้านหลังดังกล่าวเช่นมีแสงคล้ายเศษแก้วลอยขึ้นจากหลังคาบ้านมีเสียงคล้ายคนเดินอยู่ในบ้านจนขนลุกไปตามๆกันเนื่องจากบริเวณดังกล่าวสมัยก่อนเป็นป่าช้าและมีเชิงตะกอนเผาศพ ส่วนผีหญิงสาวชาวบ้านเล่าว่ามีรูปร่างหน้าตาสวยงามเสื้อผ้าอาพรก็สวยงามนุ่งจงกระเบนสวมผ้าสบายเฉียงคงต้องทำพิธีกรรมขอขมาหรือตั้งศาลให้อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ จากการสอบถามเรื่องราวจากนายขวัญพง์ชาวบ้านที่กล้าลองของจนเพ่นออกมาแทบไม่ทนันเปิดเผยนะคะว่าตนเองเป็นคนไม่กลัวพูดผีปีศาจที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามีวิชาอาคมแต่อย่างใดและรู้ว่าพูดผีวิญญาณมีอยู่ในโลกนี้จริงเนื่องจากเคยเห็นมากับตาโดยก่อนหน้านี้นายขวัญพง์พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดชัยนาท ถูกเพื่อนสบประมาทว่าถ้าไม่กลัวผีจริงต้องที่สุดโดยการไปนอนในป่าช้าที่เล่าลือกันว่าผีดุโดยไม่มีเครื่องรางของขลงังใดๆ เมื่อถูกท้าทายนายขวัญพงก็เข้าไปนอนในป่าช้าแห่งหนึ่งจนกระทั่งเวลาดึกสงัดก็ตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งมองไปเห็นผีสี่ตนอยู่ข้างๆแต่ตนเองก็ไม่ได้สนใจผีเหล่านั้นจึงล้มตัวนอนร่วมกับตนอย่างสันติไม่หลอกหลอนแต่อย่างใดนอกจากนี้ป่าช้าและสุสานต่างๆตนก็เคยไปนอนมาแล้วหลายแห่ง นายขวัญพงกล่าวนะคะว่าเมื่อกลับมาอยู่ที่ตำบลองคลักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูติดกับบ้านผีสิงหลังดังกล่าวขณะนั้นนางเสนอพักอาศัยอยู่ได้เพียงสองคืนก็ได้ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านและนายกอบตว่าบ้านหลังดังกล่าวมีผีสิงเฮี้ยนมากหลอกหลอนจนตนไม่ได้นอนจึงขอย้ายออกเมื่อทราบข่าวตนจึงได้เข้าไปขออาศัยแต่ปรากฏว่าถูกเล่นงานสย่ำแย่ นอนหลับตาไม่ได้เลยถูกแกล้งถูกอํมสารพัดต้องหนีออกมาแทบไม่ทันไม่งั้นโครงกลายเป็นศพเพราะขาดอากาศหายใจเจอมากับตัวเองเช่นนี้รู้สึกหวาดภาวาเช่นกันและคงไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านหลังดังกล่าวเพราะมีอิทธิฤทธิ์แรงและไม่เห็นคราวร่าง ส่วนนางเสน่ทองโอภาษนะคะเยื่อ บ, บ้านผีดุรายแรกค่ะที่ต้องหนีไปสร้างกระท่อมพักอาศัยริมถนนสายโพทองท่าช้างรอยต่อระหว่างจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวนะคะว่าคืนวันแรกที่เข้าไปอยู่สังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหลายอย่างก็ปลอบใจตัวเองว่าเราอายุมากแล้วและแปลกที่อยู่อาจทาให้ประสาทร้อนจนทาให้นอนไม่หลับก็ได้ แต่คืนที่2เหตุการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมมีเหตุการณ์พิสวงหลอนเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวและไม่รู้ผู้กระทมจึงเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ร้อนมีพูดผีและวิญญาณเสียงสถิตดูแลด้วยความห่วงแหนจึงขอย้ายออกมานอกจากนี้นางสนอยังยืนยันว่าแม้ตนจะอายุมากแต่สติไม่ได้ฟั่นเฟือนยังสามารถจาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี ผีสาวห่มสบายตนนี้ไม่ได้หลอกเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันแสกๆก็เคยแสดงอิทธิฤทธิ์มาแล้วโดยมีอยู่วันหนึ่งนายขวัญพง์ได้เข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านอยู่ๆนายขวัญพง์ก็แสดงอาการส่งเสียงร้องดังลัน่นดินทุรนทุรายบิดตัวไปมาลักษณะคล้ายคนหายใจไม่ออกแสดงท่าทางคล้ายต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น เมื่อลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปที่ประตูจนสีษะชนประตูก่อนจะวิ่งออกไปนอกบ้านในทันใดานางสนอกล่าวต่อค่ะว่าบ้านหลังดังกล่าวมีความสวยงามน่าอยู่แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นจึงตัดสินใจย้ายไปปลูกกระต้อปลิมถนนดีกว่าหากจะให้กลับไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวอีกคงไม่ไปบอกตามตรงว่าหวาดกลัวสุขภาพจิตเสียขนาดตนจะยกบ้านให้นายขวัญพง์เขายังไม่เอาเลย เนื้อข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันนะคะยังรายงานต่อไปอีกค่ะว่าสําหรับบรรยากาศที่บ้านหลังดังกล่าวหลังตกเป็นข่าวปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางมาดูกันตลอดทั้งวันค่ะต่างพากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาซึ่งขณะเดียวกันสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือบรรดาเซียนหวยทั้งหลายต่างพากันด้อมๆมองๆเพื่อหาเลขเด็ดตามคาดก็เลยทําให้บรรยากาศที่บ้านพักผู้ได้โอกาสเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะ ด้านนายสุพ์ผมทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองรครักษ์นะคะกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตนเป็นผู้ให้ข่าวแต่ลูกบ้านได้ประสบมาและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังจนเป็นที่หวาดภาวาไปตามๆกันดังนั้นจึงต้องหาทางช่วยเหลือและบ้านหลังดังกล่าวคงไม่ทุบทิ้งเนื่องจากใช้งบประมาณเกือบ1 0 0 0 0 0บาทในการก่อสร้างคงต้องปรึกษาหารือเพื่อหาหนทางแก้ไข โดยในเบื้องต้นคงต้องจัดทำบุญให้เป็นไปตามประเพณีเพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจ ทั้งหมดนี้เป็นรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความเฮี้ยนของบ้านกระตุก ข, ขวัญแห่งตำบลองคลักษ์อำเโภอโพทองจังหวัดอ่างทองหลังรับทราบข้อมูลทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความเฮี้ยนของวิญญาณในบ้านผีสิงหลังนี้เราก็ได้ค้นหาคำตอบว่าเรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดและปัจจุบันยังคงมีคนพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อีกหรือไม่ เมื่อเราได้รับรายละเอียดของบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะก็ทราบว่าตั้งอยู่ริมถนนทางเดินเข้าวัดยางมณีข้างรั้วหลังโรงเรียนวัดยางมณีมีลักษณะเป็นบ้านกาะปูนชั้นเดียวไม่มีรัว้วหลังคากระเบื้องหลอนคู่มีประตูเข้าออกทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านมีหน้าต่างทาสีฟ้าโดยรอบผนังด้านนอกมีข้อความเขียนว่าโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทอร์ไทน์อง์ราชนห้ธันวาสองพัน บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นข้างบ้านเราได้พบกับสองสามีภรรยาวัยส0สเศษคู่หนึ่งฝ่ายสามีชื่อคุณสันทนาพ่องโอภาสส่วนภรรยาคือคุณสำอางผู้ระมาศซึ่งบอกว่าเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ หลังจากเราแนะนำตัวและพูดคุยกันสักครู่หนึ่งจึงทราบนะคะว่าคุณสันธนาเป็นบุตรชายของนางสนผ่องโอภาสซึ่งปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ว่าเป็นผู้ประสบพบเจอวิญญาณเฮี้ยนภายในบ้านหลังนี้นับตั้งแต่ย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ใหม่ๆจนถึงขนาดทนอยู่ต่อไปไม่ไหวจนต้องย้ายออกไปปลูกกระท่อมอยู่ริมถนนใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะ ก็ได้ความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดทุกวันนี้ก็ยังมีคนพบเห็นเรื่องแปลกๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเหมือนช่วงแรกแต่สำหรับตัวของคุณสันทนาเองก็ไม่เคยเจอกับตาตัวเองเลยสักทีเป็นคำตอบของคุณสันทนาหลังถูกถามถึงเรื่องความเฮี้ยนของหญิงสาวชุดไทยที่เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้คุณสันทนาผ่องโอภาษเล่าย้อนให้ฟังค่ะว่าเมื่อปี2550 อบต อ, องคารักษ์มีโครงการบ้านท้องถิ่นไทยจัดสร้างเป็นบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่และแม่ของคุณสันทนาคือคุณยายเสน่ห์ผ่องโอภาส ขณะนั้นอายุ78ปีซึ่งสร้างเพิงอยู่หลังวัดยังมณีได้รับความช่วยเหลือให้เข้ามาพักอาศัยอยู่บริเวณบ้านหลังนี้ทั้งนี้เนื่องจากทางอบอต อ, องครักนะคะเห็นว่าคุณยายสนอมมีฐานะยากจนและเป็นผู้ชารายากไรยอยู่คนเดียวไม่มีอาชีพและรายได้ลูกหลานแยกย้ายไปมีครอบครัวนานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมทาให้ไม่มีคนดูแลต้องเก็บผักใกล้บ้านมาทาอาหารเพื่อประทังชีวิตบางวันจะไปกินอาหารที่วัดหรือเพื่อน น, นอาาาหหรมใ้เมื่อสร้างบ้านเสร็จเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2560ทางอบตอได้ทำพิธีมอบบ้านให้คุณยายสนอก่กอนยายเข้าไปพัก แต่อยู่ได้เพียงสองคืนก็ต้องขนข้าวของกลับไปอยู่ที่เพิงพักหลังเก่าโดยให้เหตุผลว่าอยู่ไม่ได้เพราะถูกผีหลอกโดยที่คุณยายบอกว่าวันแรกที่ยายเข้ามาอยู่ก็เจอดีขณะตอนกลางวันมีเพื่อนบ้านไปเยี่ยมและขอนอนพักด้วยอยู่ๆก็มีอาการเหมือนถูกผีสิงส่งเสียงกรีดร้องมองตาขวางจนคุณยายอยู่ไม่ได้และต้องวิ่งหนีออกมา คุณสันทนาผ่องโอภาสซึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ร่ำลือกันว่ามีวิญญาณเฮี้ยนสิงสถิตยอยู่ได้เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังจากนั้นทีมงานจึงขออนุญาตเดินสำรวจ ร, ร, รอบๆบ้านและภายในบ้านซึ่งก็ได้พบว่าบริเวณพื้นดินโดยรอบบ้านมีกา้านทูปปักอยู่หลายกา้านเมื่อเข้าไปในตัวบ้านพบว่าเป็นห้องโล่งห้องน้ําอยู่ท้ายห้องที่พื้นใต้หน้าต่างด้านข้างมีแจกันใส่ดอกไม้และกระถางทูปมีขวดน้ําอาหาร ผ ล, ลไม้เครื่องเส้นไหว้ที่ฝาผนังอีกด้านมีกระจกแขวนอยู่พร้อมแป้งน้ำหอมและหวีมีกลิ่นทูปจางๆอยู่ภายในห้อง ตรงมุมหนึ่งของห้องมีร่างหญิงชรานอนอยู่เมื่อสอบถามจึงรู้ว่าหญิงชราท่านนี้คือคุณยายสนะผ่องโอภาสแต่เป็นที่น่าเสียดายที่คุณยายสนะกํกำลังนอนป่วยจึงไม่มีโอกาสได้พูดคุยและสอบถามถึงเหตุการณ์ชุนสะพึ่งขวัญที่ท่านเคยประสบพบเจอมาสำหรับสาเหตุการย้ายกลับเข้ามาอยู่ในบ้านผีดุหลังนี้อีกครั้งของครอบครัวผ่องโอภาสนั้นคุณสันทนาได้เล่าให้ฟังว่า หลังเกิดปรากฏการณ์ทางวิญญาณจนตกเป็นข่าวดังเมื่อครั้งสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆทางอบต อ, องคลักได้ทําพิธีตั้งศาลเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณในบ้านให้มาสถิตจากนั้นเหตุการณ์ชนสะพรึงขวัญต่างๆก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงขณะเดียวกันอบตได้แจ้งมายัางครอบครัวคุณยายเสนอว่าหากไม่ย้ายกลับเข้าไปอยู่ก็จะให้ผู้ยากไรย้รยอื่นเข้าไปอาศัยแทนครอบครัวคุณสันทนาพร้อมกับแม่คือคุณยายเสนอรู้สึกเสียดายโอกาส จึงตัดสินใจย้ายกลับเข้ามาพักอาศัยอยู่อีกครั้งเนื่องจากเห็นว่าได้ทำพิธีตั้งสารให้แล้วคงไม่ถูกรบกวนจากวิญญาณหญิงสาวชุดไทยห่มสบายเฉียงอีกอย่างแน่นอนนี่เป็นคำบอกกล่าวของคุณสันทนาผ่องโอภาสผู้ที่เลือกจะอาศัยอยู่ร่วมกับวิญญาณในบ้านผีดุโดยเหตุเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าปัจจุบันครอบครัวคุณสันทนาผ่องโอภาสซึ่งประกอบไปด้วยสีชีวิต คือคุณสันธนาคุณสำอางผู้เป็นภรรยาคุณยายสนะผู้เป็นมารดาและหลานสาวอีก8ขวบหนึ่งคนยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านผีสิงหลังนี้ท่ามกลางปรากฏการทางวิญญาณที่ยังคงเกิดขึ้นในบางครั้ง เช่นคืนหนึ่งขณะที่คุณสำอางกําลังเตรียมตัวออกไปตลาดเพื่อไปขายพวงมาลัยตามปกติเมื่อออกจากบ้านก็พบเงาดำทะมึนลักษณะคล้ายผู้หญิงสองร่างกําลังนั่งอยู่ใกล้กับศาลหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินวนเวียนอยู่รอบๆบริเวณที่ตั้งศาลบางครั้งขณะนอนเคลิ้มกําลังจะหลับในช่วงกลางดึกก็เห็นร่างของหญิงสาวในชุดไทยห่มผ้าสบาเฉียงมานั่งสงบนิ่งอยู่นอกมุง้ง และหลายครั้งสมาชิกในครอบครัวก็เห็นเงาดำล้าเรือนวนเวียนอยู่ภายในบริเวณบ้านครอบครัวผ่องโอภาส์ดำรงชีวิตอยู่โดยประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยขายเลี้ยงชีพและหากวันไหนที่พอจะมีกำลังรายได้มากพอพวกเขาก็จะซื้อเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาถวายที่ศาลเพื่อสักการะแดดดวงวิ ญ, ญญาณที่ยังคงสถิตอยู่ตามความเชื่อ คุณผู้ฟังคะนี่คือสิ่งที่ครอบครัวนี้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดนะคะเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับดวงวิญญาณณนะบริเวณบ้านหลังนี้เป็นไปด้วยความสงบราบรื่นภายใต้กรอบความคิดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นเองค่ะ